เมื่อท่านอาจารย์ใหญ่มีความประสงค์เช่นนั้นหลวงปู่เขาและหลวงปู่แวนได้ปรึกษากันว่าจะไปจำพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปังเพราะสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขามีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคโจรวินาบาบรรยากาศสงบเยือกเย็นไกลจากเสียงและผู้คนที่จะไปมารบกวนการไปมาก็ไม่ลำบากมากนะัก ถ้าจะมาหาอาจารย์ใหญ่เวลาออกพรรษาแล้วเดินทางมาตามป่าเขาลัดเลาะมาใช้เวลาเดินทางประมาณสี่้าชั่วโมงก็จะมาถึงที่อยู่ของท่านอาจารย์ใหญ่ได้เมื่อปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยจึงจัดบริคารและเข้าไปกราบลาท่านอาจารย์ใหญ่แล้วเดินทางมาทางแม่ปังไปทุ่งบัวข้าวเดินเข้าป่าลัดไปตามทางที่ไปยังป่าเมี่ยงคุณปัง ซึ่งทางบางแห่งก็ข้ามห้วยไปหลายแห่งบางแห่งก็ขึ้นเขาไปกว่าจะไปถึงป่าเมี่ยงขุนปังใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงพอไปถึงที่หมายแล้วต่างองค์ต่างก็แสวงที่อยู่ของตนเมื่อเลือกหาสถานที่ได้ตามความพอใจของตนแล้วพวกชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกสร้างกุฏิชั่วคราวให้พอกันแดดกันฝนได้บ้าง อากาศบริเวณนี้มีความชื้นสูงเพราะพื้นที่เป็นซอกเขามีภูเขาล้อมรอบทุกด้านเหมือนอยู่ในก้นกระทะเวลาฝนตกน้ำไหลมาจากภูเขาทุกทิศ ท, ทุกทางบริขารเวลาเปียกมักแห้งช้าเนื่องจากแสงแดดส่องเข้าไม่ถึงป่าเขาโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบจึงหนาแน่นไปด้วยไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์และสัตว์ป่า น, านานาชนิด ส่งเสียงเจยเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ขาดระยะฟังแล้ววิเวกวังเวงยิ่งนักเป็นการเตือนสติของผู้บําเพ็ญธรรมได้เป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าพรรษาแล้วต่างก็ตั้งใจเร่งความเพียรกันอย่างเต็มที่โดยไม่ท้อถอยปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์ความก้าวหน้าทางด้านจิตตะภาวนาก็เป็นไปโดยราบรื่นการพิจารณาธรรมก็ได้อุบายแปลกๆดี การพิจารณาธรรมในเวลาภาวนาจึงละเอียดสุ ข, ขุมไปตามขั้นตอนของสมาธิและปัญญาที่ขุดค้นขึ้นมาถ้ามีการขัดข้องบ้างต่างก็ช่วยกันแก้ไขถึงอย่างนั้นบรรดาสัพพกิเลตทั้งหลายที่มันนอนอยู่ในคันทะสันดานมานานในสังสารวัตรมีความเกิดเป็นอเนกนั้นเมื่อมันเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังต่อมันมันก็เอาจริงกับเราเช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพของจิตใจของคนนั้นเคยถูกอาสวะกิเลสครอบครองอยู่นานหลายภพหลายชาติเมื่อมาถูกความเพียนเร่งร้าเข้าบางครั้งก็ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปด้วยดีแต่ถ้าความเพลี่ยนลดหย่อนอ่อนกำลังลงเมื่อใดเมื่อนั้นจิตใจเป็นโอนอ่อนผ่อนเข้าหากิเลสสวะทันทีตามวิสัยของจิตที่มีหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งยังขาดสติปัญญาเป็นเพื่อนสอง การที่จะผูกให้มันอยู่ในปัจจุบันด้วยภาวนานั้นแสนยากถ้าเรารุกหน้าด้วยความเพียรมันก็ทาเป็นอ่อนกําลังถอยเข้าไปสู่ภายในเป็นที่กำบังยึดเป็นฐานสงบนิ่งอยู่ดูเหมือนไม่มีอะไรจะเป็นอันตรายเหมือนท้องทะเลอันราบเรียบในเวลาปราศจากลมและคลื่นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าต้องมีชั้นเชิงในการรุกการรับการถอย ตามกระบวนศึกของศัตรูผู้เชี่ยวชาญในการเชิงรบผู้ภาวนาจะต้องรอบครอบเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติของตนสำรวมระวังในสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่ล่วงละเมิดแม้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในทุดงขวัติกิจ3ามอย่างคือการงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เจือไปด้วยโทษหนึ่งโรมจัน คือความดีอันใดที่ทำไปด้วยความไม่เต็มใจหนึ่งจิตทั้งสามนั้นจะหวางผลในความสำเร็จได้ยากมีแต่ความผิดหวงังความล้มเหลวนั่นแหละเป็นผลตอบแทนต่อผู้ประกอบจิตเหล่านั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารท่านจึงรับว่าอินทรีย์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่และอย่างเป็นปาติโมก ค, คือต้องระวังรักษา ถ้าสมาหารักษาอินทรีย์ทั้ง5าได้ผู้นั้นก็จะรักษาพรหมจรรย์ได้ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในพระธรรมวีในของพระพุทธเจ้าอินทรีย์ทั้ง5านี้แลเป็นขนทางเดินทัพของข้าศึกคือกิเลสอายตนะทั้งหเป็นที่ปฏิบัติการจิตตะวิทยาของข้าศึกจิตนี้เป็นฐานทัพใหญ่อันแข็งแกรง่งข้าศึกกิเลสทั้งสามคือราคะโสะโมหะ เป็นแม่ทัพใหญ่ของข้าศึกอวิชาคือจอมจกักรพรรดิของข้าศึกผู้ปฏิบัติเหมือนผู้ที่ทำสงครามกับข้าศึกผู้เชี่ยวชาญในเชิงรุกและเชิงรับตามปกติจิตของคนเรานั้นถ้าอยู่สถานที่มีรูปเสียงกลิ่นรสคตพะและธรรมารมทั้งหลายอันเป็นส่วนอิทธารมย่อมเป็นที่ถูกใจชอบใจเป็นที่ปรารถนากันทุกคนอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อใดเรารีกเล้นไปอยู่ในที่ไกลจากอารมณ์เหล่านั้นในเวลาเช่นนั้นจิตของเราจึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาจิตเราตามปกติมันก็จะปรุงแต่งไปเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างตามปกตินิสัยที่ท่านกล่าวไว้ว่าจิตนี้เที่ยวจาริกไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาเป็นที่อาศัย อารมณ์ใดที่เคยได้รับในอดีตจิตก็จะวิ่งหาอารมณ์นั้นอารมณ์ใดที่ยังไม่เคยได้รับสัมผัสถูกต้องจิตก็จะสร้างมนโนภาพเป็นอนาคตขึ้นอันนี้แหละคือข้อต่อรองหรือเงื่อนไขของมันมันวิ่งไปอารมณ์เหล่านี้จนกลายเป็นอันตรายต่อเรากลายเป็นกิเลสมาทิมแทงเราเพราะฉะนั้นข้าศึกผู้ชานชาราที่คอยรังควานเราอยู่ก็คือจิต ซึ่งเป็นมิจฉาทิฐินั้นเองผู้ภาวนาเป็นผู้ทาสงครามกับข้าศึกจำต้องอบรมพลังห้าให้เกิดขึ้นอบรมอินทรีห้าของตนให้แก่กล้าด้วยใช้กำลังทั้งห้านี้คือกำลังศรัทธากำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาใช้กำลังทั้งห้านี้เข้าไปอุดทางเดินทับของข้าศึกในทวารนั้นห้าคือ ตาหูจมูกลิ้นกายใช้กำลังทั้งห้านี้เข้าไปทําลายคายงานจิตตวิทยาของข้าศึกในอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออบรมพลังทั้งห้านี้ให้เกิดขึ้นเมื่อใดอินทรีทั้งห้า ก, ก็จะถึงความแก่กล้าเมื่อนั้นอินทรีทั้งห้าซึ่งเคยเป็นที่เดินทับของข้าศึกเมื่อถูกกาลังทั้งห้าเข้าไปปิดกั้น ก็จะถูกควบคุมโดยสติและปัญญาอายตนะทั้งหซึ่งเคยเป็นที่ปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกก็จะถูกยึดและถูกควบคุมโดยสติและปัญญาเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับ ก, บกำลังรบพลังทั้ง5้าศรัทธาพลังก็เหมือนยุทธโทปกรวิลยะพลังเหมือนทหารผู้ที่รับการฝึกหัดมาดีแล้วสติพลัง เหมือนเสนาธิการผู้วางแผนในการยุดสมาธิพลังเหมือนหนึ่งกองสเสบียงยุทธปจัยทรงกําลังบํารุงปัญญาพลังเหมือนหนึ่งผู้บัญชาการรบทางเดินของกองทัพคือมรก8ได้แก่กายและใจของเรานี้เองกายและใจนี้เป็นบ่อกเกิดของอินรี่ห้าและอายตนะหบรรดาสพภพกิเลสทั้งหลาย เกิดขึ้นที่กายและที่ใจนี้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าอินทรีห้าและอายตนะหกเป็นทางเดินทับของข้าศึกและเป็นที่ปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกเมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาทุ่มกำลังทั้งห้าพร้อมด้วยสำประยุทธรรมซึ่งเกิดพร้อมกับพลังห้าคืออิทธิบาทสี 4, โพชง7มัดลงไปทางเดินทัพของข้าศึกก็ดี ที่ปฏิบัติการจิตตะวิทยาก็ดีก็ต้องถูกปิดกัน้นและถูกยึดถูกทาลายตัวของข้าศึกเมื่อถูกปิดกัน้นทางเดินทัพหมดแล้วจึงจำเป็นต้องถอยเข้าสู่ฐานทัพใหญ่ยึดเป็นที่มั่นสงบนิ่งอยู่ไม่ยอมทรงกําลังออกมาต่อสู้ดูสงบไม่มีข้าศึกศัตรูฉะนั้นนั่นคือพระโยคาวจรเจ้าผู้พิจารณาส่วนที่เป็นรูปธรรม จนหายสงสัยในเหตุและผลแล้วกิเลสส่วนหยากก็จะถูกกำจัดออกไปยังเหลืออยู่เฉพาะส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นที่อาศัยของกิเลสจำพวกที่เป็นอนุัยนอนสงบนิ่งอยู่ภายในอันเปรียบด้วยข้าศึกพูดถูกตีถอยร่นหนีเข้าสู่ฐานทัพฉะนั้นถ้าผู้บัญชาการรบไม่หลงกลข้าศึกหลอมฐานไว้ให้มั่นคงแล้วบำรุงท่าแก้วทหาร แล้วยกเข้าตีฐานทัพใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก็จะยึดได้ฐานทัพทำลายค่าศึกได้จนหมดสิ้นโดยแท้พระโยคาวจรผู้เจริญปัญญาพิจารณาขันอันเป็นส่วนรู ป, ปรธรรมจนหายส่งหายแล้วปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่นั้นก็จะอ่อนกำลังลงการพิจารณาก็จะไม่แจ่มแจ้งชัดเจนจำต้องอบรมปัญญาด้วยการเข้าหาความสงบใหม่ เมื่อพักจิตอยู่ในความสงบพอแก่ความต้องการแล้วค่อยพิจารณาขันอันเป็นส่วนนามขันต่อไปบรรดาสัพพกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลรากอันเปรียบด้วยข้าศึกน้อยใหญ่นายทัพนายกองและจอมจกักรพรรดิที่สงบนิ่งเป็นอนุสัยอยู่ในจิตอันเปรียบด้วยฐานทัพใหญ่นั้น เมื่อถูกสติปัญญาอันมีกำลังซึ่งเกิดพร้อมด้วยสัมปยุต ธ, ธรรมเป็นเอกสมางคีเข้าประหัตประหารเช่นนี้แล้วก็จะถูกกำจัดถูกทำลายไปจนหมดสิ้นไม่มีเชื้อที่จะนำไปเกิดในพบใหม่ต่อไปเหมือนไฟที่หมดเชื้อดับมอดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ฉะนั้นจิตประเภทนี้กระมังที่พระบาลีท่านว่ากามาสวาปิจิตตังวิมุตจิตะ ภาวาสวาปิจิตตังวิมุตติทัตอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติทะส่วนจิตที่ถูกสติปัญญาฟอกจนหมดกิเลสส่วนหยาบแล้วเหลืออยู่เฉพาะกิเลสส่วนที่เป็นอนุสัยอันเป็นส่วนละเอียดนอนสงบนิ่งอยู่ในสันดานยังไม่ถูกกระทบอยู่ตราบใดมันก็จะสงบนิ่งอยู่ตราบนั้นจิตประเภทนี้กระมังที่พระบาลีท่านว่าปภัสระมิดัง พิคเวจิตตังพระบาลีเรียกสภาวะจิตทั้งสองนั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดภาวะจิตดวงแรกที่ท่านใช้คำว่าวิมุตติจิตหมายความว่าจิตที่หลุดพ้นท่านขยายคำว่าวิมุตติจิตออกไปว่าได้แก่จิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยกามจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยภพจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยอวิชชา คงจะเป็นจิตประเภทนี้กระมังที่วงการกรรมฐานท่านเรียกว่าทีสิภูตังส่วนภาวะจิตดวงที่สองนั้นท่านใช้คําว่าปัพสรซึ่งท่านผู้รู้เรียกกันว่าจิตสะอาดจิตมีรัศมีสั้นออกเพราะจิตดวงนี้มีชวนะวิถีวัยต่อความรู้มากแต่เพราะเป็นวิคขมพระวิมุตติจิตยังเป็นกุ ป, ปธรรมความรู้จึงไม่ใช่เป็นวิชาวิมุติ ท่านจึงเรียกว่าจิตสะอาดมีรสศมีส่้นออกแต่ของที่สะอาดไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสกรปรกอยู่เลยความสกรปรกยังคงมีแทรกอยู่ในวัตถุนั้นเองแต่มันมีน้อยจนไม่ปรากฏด้วยสายตาหรือมีมากแต่ตกตะกอนตัวอย่างเช่นน้ำสะอาดกับน้ำบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันน้ำสะอาดหมายถึงน้าที่มีมวลสารอื่นๆเจือปนอยู่น้อย จนไม่สามารถจะทําอันตรายต่อสีของน้ําให้กลายสภาพเป็นสีอื่นไปส่วนน้ําบริสุทธิ์นั้นหมายถึงน้ําที่ไม่มีมวลสารอย่างอื่นเจือปนอยู่เลยคงมีเฉพาะสารที่เป็นองค์ประกอบของน้ําเท่านั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นพร้อมด้วยท่านพระอาจารย์พรสุมโนได้ตามไปสมทบหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวที่ป่าเมียงขุดปังซึ่งต่อมาท่านพระอาจารย์เทศ เทศรังสีและท่านพระอาจารย์ อ, อนสีได้ตามขึ้นไปอีกเช่นกันเมื่อพระไปอยู่กันหลายรูปเกรงว่าจะเป็นภาระแก่ชาวบ้านจึงแยกย้ายกันออกไปวิเวกบริเวณใกล้เคียงจะมาร่วมกันเฉพาะวันอุโบสถฟังสวดปาติโมกหลังจากนั้นรับการอบรมจากท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนใกล้วันเข้าพรรษาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาว ได้กราบลาท่านหลวงปู่มั่นกลับออกมาจําราอยู่ที่ดอยน้โมหรือดอยน้ำมัวหรือห้องน้ำโมซึ่งเมื่อท่านอาจารย์พรสุมโนรู้เข้าจึงขอตามออกมาจําพรรษาด้วยก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางออกมาได้เข้าไปกราบลาอาจารย์ใหญ่ท่านได้เตือนสติว่าเออไปแล้วอย่าไปทิ้มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะ ซึ่งต่างก็ไม่เข้าใจในความหมายของคำเตือนของท่านเมื่อกราบลาท่านแล้วจึงเดินทางออกมาที่ดอยนโมบ้านทุ่งบัวข้าวซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกันกับดอยแม่ปังอยู่ไม่ห่างกันนักไปมาหากันได้อย่างสบายใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีส่วนท่านอาจารย์ใหญ่และองค์อื่นๆคงจำบรรษาอยู่ในป่าเมี่ยงขุนปังนั้น สำหรับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านจำปรรษาอยู่ใกล้ถ้ำลือสีชาวบ้านสร้างกุฏิชั่วคราวถวายให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นการจำพรรษาอยู่ดอยน้โมในพรรษานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการภาวนาไม่มีอุปสรรคจิตคงก้าวหน้าดีเกิดอุบายทางธรรมแปลกๆหลายอย่างต่อเมื่อออกพรรษาแล้ววันหนึ่งมีทายกนำผ้ามาถวายเพื่อให้ตัดเย็บเป็นจีวร เมื่อได้รับผ้ามาแล้วต่างก็ช่วยกันตัดแต่พอลงมือตัดเข้าเท่านั้นเกิดความเห็นไม่ลงกันบางก็ว่าเอาขนาดเท่านั้นเท่านี้จึงจะพอดีเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็มีการโต้แยงกันขึ้นกลายเป็นเอาแพะเอาชนะกันคำสั่งของท่านอาจารย์ใหญ่ที่เตือนมาว่าอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะจึงแจมแจ้งขึ้นมาเองโดยไม่ต้องการคาอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างไร ขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นเองก็เห็นหลวงปู่้าวเดินถือไม้กวาดตรงเข้ามาหาเมื่อถึงทางจงกรมหลวงปู่้าก็กวาดลงไปที่ทางเดินจงกรมกวาดไปจนถึงที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินอยู่พอหลวงปู่แหวนเดินเข้ามาก็กวาดไปที่เท้าของหลวงปู่แหวนกวาดไปกวาดมาอยู่ที่เท้าอย่างนั้นเองเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นจึงพิจารณาดูว่าเหตุเกิดมาจากอะไร จึงนึกได้ว่าคงจะเป็นตอนที่เรากวาดเสียงที่กวาดบริเวณเมื่อครู่นี้คงจะไปกระทบจิตขณะที่นั่งภาวนาจึงทำให้เกิดความโกรธขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถือกันและกันเพราะต่างก็รู้จักอัตยาใสใจคอของกันและกันเป็นอันดีพอออกพรรษาแล้วแควนมีหรือกำนันมีขึ้นมาหาที่ดอยนมโมบอกให้ทราบว่ามีธุระจะไปป่าเมียงขุนปัง มีอะไรจะสั่งหรือต้องการสิ่งใดบ้างหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวจึงพูดกับแคว้นมีว่าไปป่าเมี่ยงก็ดีแล้วขากรับให้รับเอาครูบาใหญ่ของเราลงมาด้วยซึ่งแคว้นมีก็รับคำเมื่อแคว้นมีขึ้นไปถึงป่าเมี่ยงทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเข้าไปกราบนมันสการหลวงปู่มั่นกราบเปลี่ยนให้ท่านทราบว่าหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวนิมนต์ให้กลับออกไปที่ดอยนมโม ทุ่งบวกข้าวและบอกให้ตนรับลงไปพร้อมกันซึ่งหลวงปู่มั่นก็ไม่ขัดข้องเก็บบริขารเสร็จแคว้นมีสภายบาตได้ออกเดินทางมาพร้อมกันเมื่อท่านอาจารย์ใหญ่มาถึงแล้วต่างก็เข้าไปกราบน้ำศการตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกเย็นภายหลังจากทากิจวัตรเสร็จแล้วต่างก็เข้าไปกราบนำมำสการเพื่อฟังธรรมตามที่เคยปฏิบัติมา แต่ก็ไม่มีใครกล้ากลราบเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการขัดแย้งกันต่างองค์ต่างก็รีรอสงวนท่าทีอยู่การแสดงธรรมของท่านครั้งแรกก็ดูไม่มีอะไรขอท่านแสดงไปได้ครู่เดียวเท่านั้นเสียงการแสดงธรรมของท่านเริ่มหนักแน่นเอาจริงเอาจังเต็มไปด้วยคอนที่ท่านประเคียนตอกย้ําลงไปที่หัวใจท่านย้ําถึงหมู่คณะที่ขัดแย้งกันว่ารังแต่จะถึงการวิบัติ ไม่ยังหมู่คณะให้เจริญไม่ยังหมู่คณะให้มั่นคงถาวรไม่ยังหมู่คณะให้ตั้งอยู่ได้นานสแสดงอานิสงค์ของความสามาคัคคีเพราะมีทิฏฐิสามัญญตาร่วมกันจบลงด้วยการชี้จุดที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งคือการถือเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่ไม่เคารพความรู้ความเห็นของผู้อื่นเป็นอันว่า ก, การเทศของท่านท่านตั้งภาษิตเอาไวา้ตั้งแต่สามเดือนที่แล้วมา จึงมาอธิบายเอาตอนออกพรรษาแล้วนี้เองเมื่อท่านแสดงธรรมจบลงท่านก็พูดคุยธรรมดาทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรพูดคุยถามโน้นถามนี่เมื่อต่างองค์ต่างก็หายจากการสลบเพราะถูกตีด้วยธรรมะวุธแล้วก็เข้าไปกราบขอมาโทษต่อท่านรับสารภาพผิดกับท่านซึ่งท่านเองก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นผิดสังเกตอุบายการแสดงธรรมก็ดี การวางตัวก็ดีการพูดจาปราศัยก็ดีเป็นกุษโลบายเฉพาะองค์ท่านยากที่ศิษย์ทั้งหลายจะสังเกตติดตามได้ทันจะหาผู้ปฏิบัติได้อย่างองค์ท่านนั้นยากแท้